หนึ One, two, three, uh ่เอม่อเจ็บมาจนไม่รู้กี่ทีใจดวงนี้ช้ำมากี่หนแปลกที่ใจยังฟื้นยังทนโดนเขาทิ้งเท่าไรไม่จังเจอใครชวนไปหน วันแค่ไม่กี่คำแต่สุดท้ายก็โดนเขาทำแล้วก็ช้ำคนเดียวทุกทีใจคนเดาวบางทีก็เหงากันไปจนไม่คิดอะไรให้ดีพอมีคนมานลอใครรักเลยเจะบแบบนี้โอ้ใจ เาจะทำฉันใดแล้วจะห้ได้อย่างไรโอ้โหเหนื่อยจริงนะที่มีใจเรื่อยเปื่อยแล้วต้องจำอยู่เรื่อยไปเมื่อไรใจจะเลิกง่ายสักทีไม่อยากเป็นอย่างนี้อีกเลยใจจะารู้ตัวบ้างสิมัวแต่ไปเขาย้ำ ไม่สงสารตัวเองเรื่องไงฮะในเมื่อวันพรุ่งนี้ยังมีชีวิตดีนั้นยังมีกไกลเ จ, จ็บก็จำไม่มันขึ้นใจไม่ต้องชำนำคางเดียวทางปีใจคนดาวบางที Rock, rock. Oh, joy! ใจคนเดาบางทีก็เงากันไปจนไม่คิดอะไรให้ดีพอมีคนมาหลอกใครรักเลยเจ็บแบบนี้แ yeah, ย yeah. yeah, yeah, yeah. ่ๆแย่จะใครก็รักจะใครก็รักโอ้ใจลอยแล้วจะทำเช่นไรแล้วจะทำได้อย่างไร ไอจะเลิกไงสักทีโอ้ใจเอแล้วจะทำฉันได้แล้วจะทาได้อย่างไรอ้าวเขาเหนื่อยจริงนาที่มีใจเรื่อยเปื่อยแล้วต้องจำอยู่เรื่อยไป